พอนอบน้อมต่อคุณพระตนะตรัยโราการพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัทธมิกทุกท่านเจริญธรรมแมชีและญาติธรรมทุกท่านานั่งสบายๆเนาะเราก็ได้มาปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะเนาะอ่าหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะ อันนี้ก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าจริงๆแล้วในคำสอนของพุทธศาสนานี่มีอยู่เยอะมากเลยนะมีถึงแปดหมืนสี่พันมรธมขันถ้าเป็นมระไตปิฎกก็มีมากมายนะถึงสี่ิบห้า 4, 5, เล่มหรือถึงเก้าสิว่าเล่มนะคำสอนมีมากมายนะแต่ถ้าเร า, าเห็นมากมายเช่นนั้นเราสรุปไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนกันเนาะ<ม>ครั้นี้เนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่มีธรรมะ มากมายแต่สามารถสรุปลงมาได้เป็นสองข้อเท่านั้นเองน ะ, ะก็คือธรรมะทั้งหมดก็เพื่อให้เรารู้จักความทุกข์รู้จักความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์นี้เป็นสิ่งเราจะต้องรู้จักนะความทุกข์นี้ก็เหมือนที่เราธรรมดเชานะนะ้านั่นแหละเราได้สวดกันเป็นประจำน ะ, ะชาติไปทุกขาชราไปทุกขามรณะไปทุกขังก็คือความเกิดความแก่ นะความเจ็บและความตายก็คือความทุกข์นั่นเองเนาะโสกาปฤเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาความโศความรำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์นะความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพัดผ้าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อ, อุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะตรงนี้เราจะได้เห็นว่าเออนะความทุกข์มีอยู่จริงไหมนะอ่ะาเมื่อก่อนเราเคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมออกมาปฏิบัติธรรมเถิดก็จะดีเนาะเขาถามว่าปฏิบัติไปทำไมเาบอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็จะดลดลงเขาบอกว่าเขาไม่มีความทุกข์รเลยน ะ, ะเป็นคำตอบที่น่าฟัง เพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนี้นั่นแหละว่าเราไม่มีความทุกข์เลยเลยเราก็ไม่ต้องไปฏิบัติธรรมก็ได้เนาะอันนี้เพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่นะยังไม่เห็นไม่เห็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เนี่ยคิดว่าความทุกข์ก็คือที่เป็นทุกข์ใหญ่ๆทั้งหลายนั่นแหละคนตายเจ็บไข้ได้ป่วยะหรือตัวเองอเป็นโรคภัยร้ายแรงถึงเป็นความทุกข์อันนั้นยังไม่ใช่ตรงต่อประเด็นทีเดียวนะ ความทุกข์นี้เกิดกับเราตลอดเวลาเราได้เห็นในตรงนี้ไหมนะความทุกข์กายความทุกข์ใจเราเห็นไหมนะความทุกข์กายเนี่ความทุกข์เมื่อกี้อย่างที่ว่าต้องเห็นทุกข์เนี่ยความทุกข์ก็แยกออกเป็นสองอย่างอีกก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจเนาะความทุกข์กายเราเห็นไหมนะตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นแล้วนั่งสวดมนต์ทำบัดเย็นมาครึ่งชั่วโมงบางคนก็รู้สึกว่าปวดเมื่อย นะบางคนอาจจะรู้สึกร้อนนะอาจจะรู้สึกเย็นเย็นหรือบางคนอาจจะโดนยุงกัดนะอันนี้มันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นในตรงนี้ไหมนะหรือบางคนอาจจะเริ่มหิวแล้วนะเริ่มที่จะง่วงก็มีนะนี่ก็คือความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันนี่เราเห็นไหมนะแล้วเราก็แก้ไขแก้ทุกข์ไปหรือเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดิน <c oughs> มายืน <c oughs> ต่างๆเหล่านี้ก็คือเราแก้ทุกข์นั่นเองแต่เราไม่รู้เราแก้ทุกข์หรอก เขาจึงว่าอิรลบทปิดบังทุกนั่นเองเนาะอ่าเราก็ไม่เห็นไอ้ตรงนี้นะเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่าเดีเ๋ยเวเกาอ่าเดีเ๋ยวเรารู้สึกคันหัวก็มาเก่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเราแก้ทุกนั่นเองนะตอนนี้บางทีเราขยับเริ่มขยับขาเราก็ไม่รู้เรากําลังแก้ทุกมันก็มีความทุกในเราเราจึงต้องไปแก้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าเรามีความทุกแล้วเราไปแก้ทุกในตรงนั้นนะความทุกกายนะเป็นสิ่งที่ว่าเราอ่า จริงๆแล้วเนี่ยเราทําให้เ้าหมดไปจ ร, จริงๆไม่ได้หรอกนะเป็นแค่ระบันเทาชั่วคราวท่านเองนะความทุกข์กายกันที่ว่าเกิดแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนี่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมอ่าส่วนที่เราหิวนะเราก็ไปทานอ่ามันก็อิ่มแต่เราก็ต้องหิวใหม่นะอ่าเราง่วงเราไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงใหม่อ่เรานั่งแล้วเมื่อเลยขึ้นมาเดินอ่าสักพักก็ต้องกลับมานั่งใหม่ใช่ไหมก็คือ เราแก้ไขได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเจยเป็นการบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะความทุกข์กายนี่จริงๆแก้ไขไม่ได้เลยเพียงแค่เราบรรเทาเขาให้ให้บรรเทาลงนั้นแล้วเขาก็กลับมาเป็นอย่างเก่าอีกแล้วเราก็ต้องคอยแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะตรงนี้เราต้องเห็นความทุกข์กายตรงนี้ให้ชัดส่วนความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นบ่อยด้วยแล้วเราก็ไม่เห็นเขานะ ความทุกข์ใจก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละที่เข้ามานะเช่นความโลภความโกรธความหลงความหงุดหงิดความลาคาญความขัดเคืองใจความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวความอิจฉาริษยาความหึงหวงนะความอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยปรากฏขึ้นมากับเราอยู่เป็นประจํำนะเราเห็นไหมว่าเป็นความทุกข์เนาะ อย่างชัดๆก็คือความโกรธนี่แหละเราเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นความทุกข์แล้วนะเวลาเราโกรธคนอื่นเนี่ยแหละตัวเราเองนะ่ะทุกข์นะคนที่โดนเราโกรธในบางทีเขาไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมนะตรงนี้เราเห็นไหมว่าความทุกข์ในใจเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะวันๆหนึ่งเราก็มีความยินดียินร้ายแทบทั้งวันนะตรงนี้ก็เป็นความทุกข์แต่เราเห็นไหมนะคราวนี้ความทุกข์ใจเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าความทุกข์กายนะ อ่าพราคนที่ฆ่าตัวตายในยส่วนใหญ่เกิดจากความทุกข์ใจเป็นหลักนะบางคนนี่เป็นเศรษฐีฐานะดีนะอ่ามีเงินร้อยล้านเนี่ยแต่ขาดทุนไปห้าสิบล้านนี่ทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายก็มีนะหรือบางคนอ่าเป็นอ่าเป็นผู้หญิงสาวนะมีผู้ชายหักอกน้ําแฟนหักอกเช่นเนี้ยอ่าก็ทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายก็มีต้องเยอะเนาะนะ คนที่ฆ่าตัวตายเพราะเหตุที่ว่ามีความทุกข์ในทางใจเนี่ยมีมากน ะ, ะมีมากมายนะเพราะฉะนั้นนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วทุกใจเนี่ยมันไล่แรงอยู่กว่าทุกกายนะเราจะไม่ค่อยได้ข่าวคนพิการอะไรทั้งหลายแหล่ไปฆ่าตัวตายในยมีน้อยมากนะแต่คนที่ร่างกายสมบูรณ์นี่แหละแต่ไปฆ่าตัวตายในยมีเยอะกว่านะแต่ความทุกข์ใจนี่ถึงแม้ว่าจะร้ายแรงกว่า ความทุกข์กายแต่กลับสามารถที่จะเลิกได้เด็ดขาดเนาะคือทาให้ดับไปได้อย่างเด็ดขาดาเช่นพระอรหันต์นี่แหละท่านก็มีความทุกข์ทางกายก็เป็นปูติของท่านาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายมีการหิวการเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจของท่านเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเพราะท่านสามารถแก้ความทุกข์ทางใจนี้ได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติเพื่อให้ละความทุกข์ทางกายเนาะแต่ว่าเพียงแต่รู้จักความทุกข์ทางกายเท่านั้นแต่ที่เราจะปฏิบัติจริงๆก็คือละความทุกข์ทางใจให้หมดไปหรือให้น้อยลงเท่านั้นเองเนาะก็คือหมายความว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการที่จะละหรือให้หมดไปจากความทุกข์ทางใจเนี่ยนะก็คือเมื่อเราจับประเด็นได้แล้วก็ยังง่ายเออเรามาทําไม เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความทุกข์ทางใจเราในลดลงนะนี่คือประเด็นสําคัญนะครั้นนี้อย่างที่ว่าแล้วว่าพุทธศาสนานี้นะถ้าแยกเป็นหลักใหญ่ก็มีสองอย่างก็คือให้รู้จักทุก์อันนี้ประเป็นประเด็นหนึ่งแล้วที่ได้พูดไปประการที่สองให้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนะการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยอ่ามันมีหนทางแห่งการปฏิบัติอยู่นะอ่าเราจะแบบอย่างไรเพื่อให้ถึงความพ้นทุกขนี้นะ ครั้นี้บางคนก็สงสัยเอ้เรายกมือสืบสี่ยังหวะนี่มันจะถูกต้องไหมนะหรือเดินจงกรมนี่จะถูกต้องไหมไม่เห็นมีไม่เห็นที่อื่นเขายกมือสืบสี่ยังหวะกันเลยนะหรือไม่เห็นมีสํานักอื่นหรือแทบยังไม่มีคําสอนอในเป็นแบบเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งว่าต้องยกมือสืบสี่ยังหวะแต่อย่างใดนะบางคนก็เลยยกด้วยความตะขิดตะขวงใจด้วยความลังเลใจไม่แน่ไม่แน่ใจนะพอเราไม่แน่ใจเราเริ่มที่จะ สงสัยมันก็ไม่เกิดผลนะอคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันแล้วกันว่าอมีมีพูดถึงบางไหมในตําราของพุทธศาสนาก็มีอยู่ในสติปฐานสี่นะมีพูดเอาไว้ตรงนี้อยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกนะในหมวดข้อสติปฐานสนีะ่ได้พูดถึงเรื่องอสติปฐานสนีะ่เป็นอ่าคําสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นะ่ะเป็นข้อที่สําคัญมากเลยนะ ว่าเป็นผลทางกันเอกนะผู้ใดประบัติในผลทางนี้ก็จะถึงซึ่งความพ้นทุก์ได้ในขั้นต่ําก็เป็นพระนาคามีในขั้นสูงก็เป็นพระรหัสนะสติปทาน4ี่นี้ก็สามารถแยกออกได้เป็นสี่อย่างก็คือในข้อแรกคือนะกายานุปัสนาสติปฐานนะข้อสองคือเวทนานุปัสนาสติปฐานข้อที่สคือจิตตานุปัสนาสติปติปทานนะและข้อ4ี่ก็คือธรรมานุปัสนาสติปฐาน คร น, นี้ในกายานุปัสสนาเนี่ยก็เริ่มด้วยข้อว่าอานาปนสติกกรก็คือให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นะก็คือให้รู้ในลมหายใจนี้ลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งนะอ่าแล้วหลังนั้นก็ให้รู้ในอิบทใหญ่คือการยืนเดินนั่งนอน ก็ให้เรารู้ไปในอบทใหญ่ทั้งสนีะ่แล้วต่อมาก็ให้รนะู้ในสมัญญาบัพพะก็คือให้รู้ในอบทย่อยนะเช่นนะดื่มกินพูดคิดนะคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยนะเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังนะอุจละปัจาวะนะหรือทรงจีวรสังคติเราเนี่ยก็ให้รู้ในอบทย่อยทั้งหลายนะ อิบทย่อยทั้งหลาย น, นี่ก็มีการคู่แขนเหยียดแขนด้วยเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นการที่เราอยกมือสืบสี่จังหวะ น, นี่ก็เป็นอิบบทย่อยอย่างหนึ่งก็คือการคู่แขนเหยียดขาเหยียดแขนเนี่ยให้เรารู้ไปในอิบบทย่อยเหล่านี้นะแล้วมีการเดินจงกรมอันนี้ก็อยู่ในบทใหญ่อยู่แล้วนะยืนเดินนั่งนอนนะเพราะฉะนั้นการที่เราเามายกมือสืบสี่จังหวะ น, นี้จึงไม่ผิดนะ นะเพราะเรารู้ในอิบท ย, ย่อยนะอิบอย่อยนี่มีเยอะแยะเลยนะจริ ง, รงๆเราไม่ต้องยกมือสืบสืบยังหไงก็ไดนะ้เราสามารถที่จะไปกวาดบ้านก็ได้นะแล้วเราก็รู้ไปนะอิบยอดย่อยกวาดบ้านเรารู้ไหมแปรงฟันะรนะเรารู้ไหมหรือเราซักผ้าเรารู้ไหมก็สามารถที่จะรู้ได้หมดเลยแต่ก็นี้ก็มีข้อบกมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งนเะช่นเราแปรงฟันในห้านาทีแล้วก็เสร็จแล้วนะ มันก็ไม่ไม่ไม่สามารถทําอะไรตอบได้เราจะแปรงฟันครึ่งชั่วโมงมันก็แปรงไม่ได้นะฟันคงจะเสียไปเลยนะอ่าหรือเราจะซักผ้าซักชั่วโมงหนึ่งเราก็ทําไม่ได้อีกนซักสินาทีก็เสร็จแล้วมันก็เลยไม่ต่อเนื่องครา้นี้เราก็เลยมีวิธีการให้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องก็คือเรามายกมือสร้างยังหัะกันนะก็เราทําได้ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นหลายๆชั่วโมงก็ยังได้เลยก็ได้ก็ยังได้นะเพราะเราสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่อง นี่แหละคื อ, อการที่เราสามารถไปบัติให้ต่อเนื่องนั่นเองมันจึงเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้เกิดสติขึ้นมานะพ้นกันที่เรายกมือสืบสี่ยงบาก็ดีเดินยงกลมก็ดีก็เพื่อทําให้เขาต่อเนื่องกันจนเราเกิดความเห็นความเข้าใจเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดจิตสามารถที่รับรู้การเคลื่อนไหวต่างต่างขึ้นมาได้เองโดยโอัตโดนมัตินะใหม่ๆเราก็รู้ไปก่อนอยกมือแล้วก็ลุกไปเป็นครั้งครั้ง นะโดยที่เราก็ฝึกในการรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไปเรื่อยๆนะจนถึงระดับหนึ่งเมื่อจิตเขาตื่นแล้วก็ก็จะเห็นเขาจะรับรู้อาการต่างๆได้โดยอัตโนมัติของเขาเองก็เกิดจากการที่เราทํำไปต่อเนื่องนั่นแหละเนาะอ่าการนี้ในในหมวดกายยาก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะธาตุแบบพระปฏิกูลแบบพระจนไปถึงนวสีก็คื อ, อป่าชาติทั้งเก้าเนี่ยมีอหลายอย่างนะ อันนั้นก็เป็นข้อที่ว่ า, าปฏิบัติในข้ออื่นต่อไปแต่ทั้งนี้ที่นี่ก็เน้นในเรื่องหลักการสําคัญนี้ก็คืออาการใหญ่ต่างๆเช่นการยืนเดินนั่งนอนแล้วอาการอิบทย่อยต่างๆาเช่นที่เราคู่แขนเย็ดแขนนี่แหละเป็นอิบทอิบอย่อยนะเรามาเน้นในตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉนั้นจึงเห็นว่ามันไม่ได้ผิดหลักการนะหรือวาอ่าเป็นเรื่องที่ไม่มีการไว้ใน พุทธศาสนาได้อย่างใดน ะ, ะครันนี้เมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ผลทางที่ผิดไปนะเราจะมีศรัทธามีความไม่ลังเลสงสัยในการที่จะบัตในวิธีนี้อย่างเต็มที่นะเพราะเรามีเวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยที่ดูแล้วเราก็มีเวลาห้าวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัดหัวท้ายออกก็เหลือแค่สมวันเท่านั้นเองนะ สาวันนี้ก็ถือวันยังน้อยมากนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปบัตรมากกว่านั้นนะเพื่อให้ต่อเนื่องกันนะพอเราไปบัตรให้ต่อเนื่องกันแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะก็จะเกิดความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องกันมากขึ้นนะตรงนี้มันจึงต้องอาศัยาการบัตรที่ต่อเนื่องกันสักระยะหนึ่งเพื่อให้จิตเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาให้มีการรับรู้นะอจิตคนเราเนี่ยสามารถที่รับรู้ได้นะเมือ่อตอนเนี่ยบางทีเรายกมือไปก็แล้วแต่ หรือเราอาจจะพลิกมือก็แล้วแต่แต่บางทีเราไม่รับรู้หรอกอเรากลับไปคิดเรื่องนู้นโอ้ตอนนี้ที่บ้านเราเป็นยังไงเพื่อนเราเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเรายกมือแต่เราไม่ได้รับรู้นะเพราะงั้นการที่เรายกมือสร้าหวาดก็ดีก็คือให้รู้ในแต่ละขณะไปได้จิตที่การรับรู้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาให้จิตรับรู้ไปแบบสบายๆนั่นเองเนาะตรงนี้เรียกว่ากายเคลื่อนไหวนะให้ใจรับรู้ ดูดูกายเคลื่อนไหวนะดูใจนึกคิดในตรงนี้เราก็จะเห็นการที่เราสามารถรับรู้เลยไหมจากเมื่อก่อนเราไม่เคยรับรู้เลยนะยกตัวอย่างเนะมื่อก่อนเราก็เคยซักผ้าอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่เราไม่เคยรับรู้เลยเยขณะนี้กำลังซักผ้าน่ไม่รู้หรอกซักไปก็คิดไปนะแต่ตอนนี้เมื่อตอนหลังถ้าเราเริ่มมีการรับรู้แล้วเรากลับไปบ้านเราก็ซักผ้าเราจะเริ่มรับรู้การซักผ้าแล้วนะก็กลายเป็นอยู่กับปัจจุบันไปได้นั่นเองนะ มันจะกลายเป็นอยู่โดยอัตโนมัติไปเมื่อก่อนเราก็เคยเดินไปเรื่อยๆนะไปเดินไปซื้อของอไปตลาดนะหรือเดินไปเที่ยวไหนเราเดินไปแล้วก็คิดไปเรื่องนู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้รับรู้การเดินเลยนะคราวนี้เรามาฝึกใหม่ใช้เวลาต่อเนื่องอันสามวันนี่แหละฝึกรับรู้การเดินอพอจิตรับรู้การเดินได้มันก็จะต่อเนื่องไปนะอีกหน่อยเราไปเดินข้างนอกอเรากลับไปบ้านาไปเดินตลาด เดินไปเที่ยวไหนก็จิตก็จะเกิดรับรู้ได้เหมือนกันนะโดยที่ว่าเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เองนะตอนนี้ก็คือเรามาฝึกตรงนี้ให้ต่อเนื่องแล้วยัหน่อยเขาจะรับรู้ได้เองนะเพราะเขรับรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่กับปัจจุบันได้เลยนะอยู่กับความรู้สึกตัวนะตรงนี้มันก็เป็นการไปปลูกเร้าให้จิตเนี่ยตื่นตัวขึ้นมานะเพราะจริงๆแล้วจิตของเราคนเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะรู้ต่างๆได้อยู่แล้วแหะแต่ที่เมื่อก่อนเขาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปฝึกเขา พรเมื่อไม่ฝึกเขาก็เลยหลงไปนะอเราจะเห็นว่าเราเนี่ยหลงทั้งวันนะสมัยก่อนเราคิดไปได้เรื่อยๆคิดไปเรื่อยห้า เ, เรื่องสิบเรื่องก็คิดไปแล้วก็รู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละไปเที่ยวไหนกับเพื่อนโอ้สนุกจังเลยไปดูหนังไปฟังเพลงเราก็รู้เรื่องที่เราคิดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้เรากาลังคิดอยู่เนาะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญว่าเรากลับมารู้ในขณะไปบันนี้ไหมว่าเรากําลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เราคิดอยู่เรารู้ไหม ไม่ใช right. ่รู้เรื่องที่เราคิดนะแต่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดไหมเนี่ยตรงนี้พอเรารู้ว่าขณะนี้กาลังคิดปุ๊บความคิดก็ดับไปเลยความคิดก็หยุดเลยเนี่ยตรงนี้มันคือสติที่เกิดขึ้นแล้วสติก็คือความระลึกได้นเองระลึกได้ขณะนี้กําลังคิดอยู่นะพอระลึกได้ปั๊บความคิดหยุดทันทีเลยเนาะหรือเรายกมือไส่หวาเหมือนกันเรารู้ไหมขณะนี้กําลังยกมืออยู่เห็นไหมพอเรารู้ว่าขณะนี้กำลังยกมืออยู่ปั๊บก็มีความรู้สึกตัวทันทีเลย ไม่ใช่ยกไปเราคิดเรื่องนู้นไปแล้วก็อันนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเราเดินจงกรมเหมือนกันเรารู้ไหมขนาดนี้กำลังเดินนะแต่ถ้าเราเดินไปเราคิดไปแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าขนาดนี้กำลังเดินเราก็อยู่ในความคิดนั่นแหละอแต่กลับมารู้ในปัจจุบันนี้เอขณาดนี้กำลังเดินนะกําลังเดินปุ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยนอกจากความคิดจะหยุดแล้วนะก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยว่าขนาดนี้กำลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉนั่นการที่เรามาฝึกในตรงนี้ก็หมายความว่าให้เรารู้ว่า ในปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เนาะกายและใจเนี่ยากาลังทําอะไรอยู่เรารู้ไหมนะเพราะรู้ปั๊บเนี่ยจะเกิดความรู้สึกตัวมาทันทีเลยเนาะจะมันก็จะเห็นอ่าสภาวะทุกอย่างหมดทางกายและใจมันก็เห็นในสภาวะตามความเป็นจริงนะเพราะเราเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่หลงไปนะจากเมื่อก่อนที่เราหลงทั้งวันมันก็กลายเป็นรู้ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะมันก็ไม่ต้องรู้ทั้งวันหรอกแต่จะกลายเป็นเรารู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆ การที่เรารู้บ่อยๆเนี่ย ม, มันมันถูกต้องนะไม่ต้องรู้ยาวๆไม่ต้องรู้ทีเดียวครึ่งชั่วโมงเลยนะจิตไม่ไปไหนเลยแล้วนั่นเขาเรียกว่าเราไปเพกไปแล้วนะมันก็ทําให้เราอาจจะมึนหัวเกิดความเทุกข์เกิดมาได้นะแต่ว่าให้เรารู้บ่อยๆก็แล้วกั น, น, นการราู้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้จิตเนี่ยตื่นตัวได้ง่ายอีกหน่อยเราจะเห็นความคิดได้ชัดเจนนะเราสามารถเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆที่ตามมาได้อย่างชัดเจนนะก็จากการที่เราสามารถที่จะ กลับมารู้สึกตัวต่างๆนี่แหละเนาะคราวนี้ยังการที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะในสมัยพุทธกาลก็มีพามถามพระเจ้าว่าอ่าท่านร่วงทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอ่าตถาคตยืนเดินนั่งนอนะพามก็วลาเลาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า เรายืนก็รู้เรายืนนะเราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเราน อ, นอนก็รู้เรานอนนะก็คือการที่เรารู้นะในขณะนี้นั่นเองว่าเรากำลังทำอะไรนะอ่าเพราะนั้นประเด็นการเจริญสติก็คือให้เรารู้ว่าปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะอ่าตรงนี้หน่อยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะมันก็จะกลายเป็นความง่ายไปความง่ายหมา ย, มายความว่ายอย่างไร <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่าเรา <c oughs> เราไปเจริญสมาธิก็แล้วแต่นะทำให้จิตสงบก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหลอกแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเราจะหาสถานที่ปฏิบัติเช่นนั้นยากนะเขาเรียกว่าอุปสรรคของสมาธิก็คือเสียงนั่นเองนะเราทุกวันนี้เราจะหาที่ไหนที่จะมีความสงบไม่มีเสียงมันก็เป็นสิ่งที่ยากนะเราจิตเราจะสงบนี่ก็ยากมากนะเราจะต้องไปอยู่ในปา่าในเขาในที่ที่แทบจะไม่มีผู้คนนะหรือไปอยู่ตามวัดที่สงบจริงๆ ก็ไม่มีใครไปรบกวนเลยนะเป็นสถานที่ที่หายากนะแล้วจิตเราจะสงบได้นี่ก็ยากนะยากมากนะบางทีสงบครั้งหนึ่งอ่าแต่ครั้งที่สองนี่ก็ยากกว่าเก่านะจะหาความสงบแบบแบบครั้งที่เราเจอก็หายากอีกนะมันจึงเป็นการยากในการปฏิบัตินะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่ามันยากนะแต่การที่เราเจริญสตินี่มันเป็นสิ่งที่เราง่ายเพราะอะไรเพราะเราสามารถทําในทุกแห่งเนาะอ่าเรายัางเราฝึกปฏิบัติตรงเนี้ยมันจะมีเสียงรบกวนตลอดเวลา มีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคนเดินไปเดินมาหรือมีการก่อสร้างหรือมีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเสียงโฆษณาอะไรสักอย่างเราก็สามารถที่จะฟังได้สามารถที่จะอยู่กับเขาได้เน่ยตรงเนี้แต่เพียงแต่เรารู้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองว่าเราได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะเราเกิดความรำคาญไหมน่ะเรารู้ทันความรำคาญไหมรู้ทันความไม่พอใจไหมนะเนี่ยตรงนี้มันก็กลายว่าเราไม่ต้องหลบ นะแต่เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะหรือกำลังเดิน่นะกาลังเดินเรารู้ไหมขณะนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี้นะเวลาเรายกมือมีอะไรเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องหลบนะปรากฏการจต่อย่างใดเลยนะเราเพียงแต่อยู่แต่ตความเป็นจริงในตรงนี้นะเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นการแบบที่ง่ายนะ จากการง่ายเหล่านี้แหละเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็สามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้ต่อนะที่บ้านเราก็ทำได้พอเราทำที่บ้านได้แล้วนะไปศูนย์การค้าก็ทำได้ไปตลาดไปที่ไหนนไปที่ทางานเราก็ยังทาได้เลยน ะ, ะมันไม่ต้องไปหาสถานที่ที่ว่าต้องมีความสงบแต่อย่างใดนะแต่เราปฏิบัติได้ทุกแห่งอยู่แล้วมันกลายว่าเราสามารถที่ไปต่อยอดได้ไม่ยาก คั้นี้การที่เราจะไปต่อยอดเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องมีมีมีตนขั้วก่อนเนาะต้นขั้วนี่ก็ต้องถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็คือครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ต้นขั้วกับเราในการปฏิบัติให้ถูกต้องว่าเราสามารถทําได้ไหมถูกต้องไหมนะถ้าเราทําได้ถูกต้องแล้วอีหน่อยเราไปต่อยอดก็ถูกต้องนะแต่ถ้าต้นขั้วเราไม่ถูกต้องเราไปต่อยอดก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะครั้นี้ประโยชน์จากวิธีเนี่ยมันมีมากนะเพราะว่าอะไร ขอประการแรกเนี่ยเราเริ่มจากการรู้สึกตัวก่อนนะเราจะเห็นเ อ, อ่อความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นแล้วนะเรารู้ฐานกายนี้ไปก่อนนะเป็นสิ่งที่เริ่นที่มันง่ายนะอย่างที่ว่าแล้วว่านากายานุปัสนาสติสติปัฐานเนี่ยเริ่มด้วยอาณาปณะสตินะอาณาปณะสตินี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่จิตค่อนข้างที่จะละเอียดนะที่สามารถรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้โดยที่ไม่ไปเพ่ง ไม่ตั้งใจมากเกินไปนะก็สามารถรู้ได้ตามธรรมชาตนะิแต่คนส่วนใหญ่นี้จะไม่เป็นเช่นนั้นนะนะพอรู้ลมหายใจก็ไปไปเพ่งไปตั้งใจก็ก็จะเกิดอาการนะผิดปกติขึ้นมานะเช่นนะลมหายใจบางทีก็หยุดนิ่งไปเลยนะหรือไม่ก็แข็งแข็งนะหรือไม่ก็ผิดปกติไปนะเพราะว่าการผิดปกตินะทาให้เกิดการมึนหัวนะบางคนจะเริ่มมีการมึนหัว นะอ่าเพราะไปไปเพง่งไปจ้องมากเกินไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเราจิตเราไม่ละเอียดพอนะแต่จิตที่ละเอียดพอเนี่ยสามารถทําอนาปานสติได้แล้วก็ไม่มึนหัวเพราะเป็นการรู้ตามปกติเท่านั้นเองนะครั้ น, นี้เนี่ยจากการที่วิธีการอานาปานสติเนี่ยยากก็เลยมา <c oughs> อยู่กับาการเคลื่อนไหวแทนอยู่กับการที่เราอยู่กับฐานกายแทนนะเช่นยกมือสิบสี่ยังหวะนี่แหละครั้ น, นี้ยกมือสิบสี่ยังหวะเนี่ย มันจริงๆแล้วมันง่ายนะแต่เราส่วนยากส่วนมากเราไปทําให้มันยากเองนะคือแทนที่เราจะทําแบบธรรมชาติบางคนก็เลยไปตั้งใจเพ่งให้จิตสงบไปเลยก็มีให้รู้ต่อเนื่องไปเลยยาวๆก็มีนะมันก็กลายเป็นว่าเราไปเพ่งอีกก็เหมือนกับอานาปายะไปเพ่งให้เขาจิตสงบไปเลยให้ก็รู้ต่อเนื่องยาวๆไปเลยมันก็เกิดอาการมึนหัวตาใหม่นั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นครูบาอาจารย์หนึ่งบอกว่าให้ทําอ่า ทำเล่นๆทำสาบายๆแต่ก็ให้ทำจริงๆก <c oughs> ็คือให้ทำไปเรื่อยๆนะอ่าไม่ไปเพง่งไปจ้องเขาให้อยู่กับปัจจุบันไปในแต่ละขณะแต่ละขณะอ่าเขาเผลอไปไปคิดก็ไม่เป็นไรเองก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เผลอไปคิดไปก็ไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวใหม่เนี่ยการที่เขากลับมาเนี่ยครั้งหนึ่งนี่เราได้คะแนนแล้วนะ <c oughs> ได้คะแนนตรงตร ง, ตรงที่ว่าเรากลับมานั่นแหละอ่เาเขาเผลอคิดไปไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวนี่ได้คะแนนครั้งละ พอเราจะเริ่มเห็นเออความคิดมันเริ่มดับไปแล้วนะเห็นความคิดแวบนึ่งแนละเออกลับมารู้สึกตัวใหม่นะเพราะว่าสติคือการระลึกได้นั่นเองนะพอเราสามารถระลึกได้บ่อยๆแล้วจิตมันก็จะเกิดอาการตื่นตัวขึ้นมานะเขาเรียกว่าจิตมันจะเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาอ่าพราะ ว, วิธีการจเจริญสติเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการเขย่าทานรู้ <c oughs> นะเขย่าท่านรู้ขึ้นมาอ่าอันนี้จะเห็นประเด็นว่าไม่ได้พูดถึงว่าให้สงบนะมันดียวบอกว่าปฏิบัติให้จิตมีความสงบ แต่เป็นการให้จิตตื่นรู้จิตตื่นรู้ก็คือเขาจะเริ่มเห็นความคิดได้ชัดขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่ใช่ไปไปตั้งใจไปดูความคิดแต่เป็นการที่ว่าเป็นการตื่นรู้เพราะว่าเข้าไปแล้วเขากลับมาได้นั่นเองนะเขาแวบไปเออกลับมารู้สึกตัวนี่แหละทําให้จิตตื่นรู้ได้จิตก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ในการที่จะเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นความคิดได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่เขาเริ่มตื่นรู้เริ่มเห็นความคิดนี่แหละ ต่อไปก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดขึ้นนะจากการที่เรามีความยินดีร้ายเรารู้ไม่ทันนะเช่นมีคนามาด่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเราด่าแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะกโกรธอาจจะด่าเขากลับไปเพราะว่าเราตอนนั้นเรารู้ไม่ทันอนนารมณ์ของเรานะแต่เมื่อเราจิตเราตื่นรู้ได้แล้วเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนน ะ, ะเขามาด่าแล้วปุ๊บเราจะเริ่มเห็นความคิดละว่าความคิดเราอยากจะพูดอะไรออกไปนะจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเมื่อก่อนที่เรา โตต่อไปยังรวดเร็วเราจะเห็นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นมาในใจเราความหงุดหงิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมาก่อนนะเราจะเห็นอาการที่เริ่มต้นของความโกรธมันยังไม่เข้าถึงความโกรธนะแต่เราจะเริ่มเห็นอาการของเขาก่อนแล้วเพราะว่ า, าการทั้งหมดก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดต่างๆที่ว่าเมื่อก่อนเขามาด่าล้วปุ๊บเราจะเราจะคิดว่าเราเป็นคนถูกมาด่าเราทําไมหรื อ, อเราไม่ได้ทำเช่นนั้นตั้งหน่อยมาว่าเราทําไม อะไรเราก็จะสวนไปเลยนะแต่ตอนหลังเราเริ่มเริ่มเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วนะว่าเขามาด่าเรานะเราเรามีความคิดอะไรขึ้นมาเราจะเห็นทันตรงเนี้ยมันจิตมันจะตื่นรู้ในตรงนี้นะมันเห็นความคิดแล้วเราจะไม่โต้ต อ, อบอย่างเก่าเราก็จะมีอาการปณีประนอมมากขึ้นนะเราความหงุดหงิดความขัดเคลืองเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่มันก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะ่พะโล่เห็นความขัดเคลืองเขาก็ดับไปนะเห็น เราความไม่พอใจเขาดับไปนะตรงนี้ว่าเราเพียงแต่ ว, ว่าเรารู้เขาเฉยๆก็พอนะไม่ต้องไปให้ค่าเขานะอารมณ์ต่างๆเมื่อเราเห็นแล้วเราก็แค่ไม่ให้ค่าเขาต้นเองเขาก็ดับไปแล้วนะแต่แต่ถ้าเขาวนคิดก็ไม่เป็นความผิดเราเป็นการวนคิดก็แล้วแต่เขาก็เห็นว่าประเด็นนี้ตรงเป็นสิ่งที่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะอไม่ใช่เป็นกรณีที่เราต้องไปบังคับเขาให้เขาหยุดคิดนะให้เขาไม่คิดในเรื่องต่างๆนี่ก็ทำไม่ได้หรอกใช่ไหม เพบางทีเขามาด่าเราเนี่ยบางทีเราจะวนคิดก็ไม่เป็นไรเราก็ดูเป็นแค่เป็นผู้ดูในในการที่เขาวนคิดให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นของเขาเองที่เขาคิดไปเช่นนั้นเองตรงนี้เราก็จะเป็นการไม่ให้ค่ากับความคิดหรือลมเหล่านั้นเนี่ยในสุดเขาก็จะดับไปแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่ดับไปก็ไม่เป็นไรอีกก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้อีกเราก็แค่ดูก็ไปเฉยๆก็พอแล้วนะไม่ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้น นะเพราะเมื่อจิตเราเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ย ม, มันจะมีอนุสัยกิเลสเก่าอยู่เยอะอ่ามันจะไปวนคิดแน่นอนนะวนคิดแน่นอนไม่ใช่ว่าเราฝึกแล้วหมดความโกรธย่างเด็ดขาดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมพอเรามีอนุสัยเก่าอยู่เยอะแต่เพียงแต่เราสังเกตเข้าบ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วเราก็ไม่ให้ค่าบ่อยนะอ่าเข้าไปวนคิดก็ไม่เป็นไรเราไม่ให้ค่าไปเท่านั้นเองนะมันก็จะค่อยๆเบาบางไปนะในที่สุดแล้วเนี่ยอ่าความทุกข์ใจก็จะลดน้อยลงนะ เหมือนที่หลวงพ่อเทียนก็เคยพูดเอาไว้ว่าอผู้ใดที่ไปวัดโดยวิธีหลวงม่อเทียนแล้วเนี่ยอย่างเร็ว <c oughs> ตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันนะแล้วก็ยังช้าที่สุดไม่เกินสามปีความทุกข์ก็จะลดลงหรือจะหมดไปเอาอาจจะหมดไปในที่สุดทลา่เพราะว่าอย่างที่พูดแล้วความทุกข์ก็คือความทุกข์ใจนั่นเองนะอ่าก็จะหมดไปหรือน้อยลงไปเพราะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นแล้วเขาก็จะหมดไปเองนะเช่นความโกรธนี่แหละ ในสม่ยเรารุ้ยบ่อยเขาก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงเหลือจะหมดไปก็เลยก็ได้ความรักความชางังความมีช้าความหึงหวงความน้อยใจเสียใจต่างๆมันก็จะพลอยลดลงไปทัหมดพอเรารู้เท่าทัานอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วนะพอเรารู้เท่าทัานเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไปทันทีอันี่เกิดจากกาลังของสติที่เราโตขึ้นจิตเราจะตื่นรู้ได้มากขึ้นเมื่อมีกําลังของจิตแล้วมีกําลังของสติแล้วความหลงหรือความไม่รู้หรื อ, อสิ่งที่เป็น ทําให้จิตเรามีความทุกข์ทั้งหลายก็จะเบาลงไปทันทีเลยนะจากการที่เราเริ่มมีสติสามารถที่จะเห็นความคิดแล้วอามต่างๆตามความเป็นจริงเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเทียนบอกไว้ว่าออไม่เกินสามปีนะความทุกข์จะลดลงอันนี้ก็เป็นความจริงเนะพราะว่าอย่หน่อยอารมณ์ต่างก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วจากการที่เราไม่ให้ข้าบ่อยๆนะั่นแหละใครมาดา่าเรามันก็เริ่มผ่านไปแล้วนัมันก็ผ่านไปหมดมันไม่ไปให้ค่าในสิ่งต่างๆความเหงาความเครียดก็พลอยหมดไปด้วยนะมัน มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเพราะว่าเมื่อเราไม่ให้ค่าแล้วก็ผ่านหมดซึ่งตายอย่างมืก่อนนั้นที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์เหล่านี้นะเราจะไปให้ค่ากับอารมณ์เหล่านี้มากบางทีคนก็นินทาเรานิดเดียวมาเก็บไปคิดเป็นวันๆเป็นหลายๆวันก็มีน ะ, ะจากการคำพูดเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพราะเมื่อก่อนเรารู้ไม่ทันอารมณ์มันก็ไปยึดทุกอย่างนะไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเป็นจริงเป็นจังนะไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมันก็มีความทุกข์ แต่ตอนหลังเราเริ่มเห็นทุกอย่างแล้วมันก็เป็นอย่างเช่นั้นเองนะเราบังคับบัญชาใครไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเรายังบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะมันก็จะปล่อยวางเสี่ยงต่างได้าจากการปฏิบัติที่เราเริ่มเข้าใจจิตใจเรามากขึ้นนะว่าเป็นเช่นนั้นเองนะบังคับบัญชาไม่ได้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความไม่ใช่ตัวตนนี่แหละในสุดจิตก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางสี่ยงต่างออกไปจากใจเราในในที่สุด และในสุดความทุกข์เราก็จะลดลงแล้วน้อยแล้วก็จะอาจจะหมดไปอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกไปได้เนาะเพราะฉะนั้นในโอกาสสุดท้ายนี้นะก็ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยเสียสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน